ขึ้นไปในใจคือเราไม่ปรงแตง่งค่ะ อ, อตัวเราเนี่ยมายืนยึดยืนพื้นไว้เล ย, เลยทําไป็สองฝั่งเก ล, ลายไปฝั่งหนึ่งเรามายืนฝั่งฝั่งที่ไม่ปุงแต่งไว้แล้วเราเห็นฝั่งที่ปรงแตง่งต้องปล่อยวางฝั่งที่ไม่มีตัวต้องให้เหลือฝั่งเดียวคือปุงแตง่งค่ะมีแต่กานท้าทรมนที่เกิดขึ้นและกระหน่ำไป ไม่มีตัวเราไปยืนไว้อีกฝั่งแล้วไม่เห็นขันห้าเกิดครับเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปสร้างเราเป็นตัวเป็นตนไม่อีกฝั่งสุดท้ายไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเพราะมันไปนรวมกันเป็นขันห้าไปแล้วธาตุดินน้าลมฝ่ายธาตุู้มันไปนรวมกันเป็นตัวคุงแต่งเป็นขันห้าเพียงแต่เราเข้าใจได้ว่าเออขันห้าเนี่ยมันทํางานไปอย่างพวกมันอย่างนั้นไง เดี๋ยวมันสิ้นแลมันที่จะมาเป็นธาตที่เป็นแท้ฉธตุแทแฉแต่ถ่านหน้ายังมีอยู่ยังทํางานอยู่แต่เราไปแยกเราออกจากั่านหน้าอันเดียบหมดไ้มันไม่เหลือฝั่งเดียวถ้าเหลือฝั่งเดียวเนี่ยอีกฝั่งนึงไม่มีแล้วคือฝั่งที่เป็นถ่านหน้าคงแตกคงแตกว่าังไม่ตายพอตายเมื่อไหร่พวกถ่านหน้าดับพอีกฝั่งนึงไม่มีตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยพวกเชิ่วิญญาณหนาไม่เจอเลยเพอาฝั่งที่เป็นถ่านหน้าดับ อีฝั่งหนึ่งไม่มีไม่เคยมีไว้ตั้งแต่แรกมันเลยไม่มีตัวมีตนแล้วหายตัวไปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะแม้ครูบาอาจารย์หรือพวกพวกเชิงวิญญาณหรือพวกเทพเจ้าปรดาอะไรมองไม่เห็นตัวตนของเราตั้งแต่ตอนฐานหน้าไม่ไดบเพราะอะไรมันมีฝั่งเดียวคือมีแต่ฐานหน้าแตไม่มีคนมีตนแต่ถ้าเราเนี่ยไปแยกแยกกับตัวเราเป็นตัวไม่พูงแต่งไว้พอสหาสฐานหน้ามันเห็นเลยเนี่ยมีสองฝั่งใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่จะแม่น รู้ว่าเราิเป็นแม่อ่าจับได้ปุ๊บเลยถ้าถ้าจับได้เงี่พวกมีสองฝั่งเนี่ยแต่นี่แหละพวกเชื่อวิญญาณก็จับได้เทพเทวดาทั้งหลายพวก <c oughs> พวกเขาเป็นมนุษย์ที่เป็นการที่เปลี่แปงเขาก็มองเห็นได้ว่าเราเนี่ยไปสร้างองคกระจดแก้วครอบตัวเราเองไว้เพื่อการตัวเราเออกจากควกามเปลี่แปลงทั้งหมดคือฐานะไม่ใช่นี่ตร้างสองฝั่งสร้างสองฝั่งแล้ว ที่ปั่งหนึ่งปุงแต่ง็นขันห้าแต่เราเป็นความไม่ปงแต่งไปจากเรืร่องนี้เราจะต้องมีมีตสอผลเยแตไค่ะฝั่งเดียวคือขันห้านที่ปรุงแต่งแต่เราไม่ถูกนี่ยต้องละเอียดมากหยาบๆไม่ได้ดูห้องกระจกที่ครอบไปจะถูกทําลายจิตเดิมแท้ๆหรือธาตรู้จิตเป็นศิษาสาตแต่แท้มันเป็นความว่างอยู่แล้ว พอห้องกะจบที่กห้องที่เราไปสร้างตัวหลักกานการตัวเองถูกทำลายความบ้านในห้องเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนเดียวกับของบ้านของธรรมชาติจั ก, ษษษษษษษษกรวาลกลายเป็นเพื่อเดียวกันมองไม่เห็นเลยพอตายแล้วหันหน้ากับจิตเดิมแทกรกกลายเป็นของบ้านหนึ่งเดียวจักรวาลมองไม่เห็นหาตัวไม่เจอหาปัญญ า, า, าไม่เจอเหมือนพระโคติกาพระโคติกาเนี่ยป่วยจะไม่ได้รู้สึกจะปวดเป็นมะเร็งแล้วก็เจ็บปวดทุกทรมานมากเลย พระเจ้าเลไม่ตาสอนทำอย่างนั้นก็ใจทเหมดแล้วแต่มันพลมานก็ความปวดไม่ไหวสุ้ไม่ไหวก็เอาไม่ไปเชื่อคอตายระหว่างที่เชื่ออตายเนี่ยพวกเชื่วิญญาณเนี่ยก็มาบอกพระเจ้าว่าประกาศทูลพระเจ้าว่าพระกุฎิกาไม่เชื่อคอตายแล้วถ้าเป็นถอยห้ามพระเจ้าไหนห้ามว่าอะไรพระเจ้าคงเร็งวิญญาณเห็นว่าพระกุฎิกาเนี่ยไม่เชื่อคอตายก็จะตายอยู่แล้วเพราว่า ที่จะยุ่ขายด้วยเป็นมะเร็งไายแรงแต่ถ้าไปช่วยไม่ให้เชือกคอตายก็ต้องตายแต่ถ้าตายตอนไปช่วยปุ๊บไม่รู้อารหันต์แต่ถ้าให้เชือกคอตายจํารู้อารหันต์คือจะปงได้พอเชือก ไ, ไปเชือกไปเลือดหลายนองจะปงได้ก็เลยรู้อารหันต์ตอนนั้นพอตายปุ๊บมันเข้าใจทำทั้งหลายว่าทำตะโก่งยึดบ้านถึงบ้านไม่ได้เลยนี่ผู้ยึดบ้านถือบ้าน ยึดไม่มีแค่นั้นแหละไอ้หอกกระจกที่ครอบจิตเดิมแท้ๆนี่มันก็เลยระเบิดออกไปเลยจิตเดิมแท้ก็กายเป็นความว่างนเดียวกรบวานอ้าวพอตายแล้วไอ้ขันห้าเนี่ยมันตายอ้าวแล้วแล้วไอ้เจ้าไอ้ไอ้จิตหรือวิญญาณเนี่ยไม่ลงโทษอ้าวหายไปไหน่ถามไม่เจอแล้วถามไม่เจอหายไปไหนเนี่ยทุกทีคนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยที่ยังไม่รู้พระราหานี่ไม่รู้เป็นพระเจ้าหรือพระรานเนี่ย ไอจิวิญญาณเนี่ยที่มันยึดถือเนี่ยมันเหลืออยู่เพราะมันยึดถือมันต้องสร้างสร้างอะไรพอพุ่งออกไปตามที่ตัวเองยึดถือไว้นี่พอความยึดถือไม่มีหายไปครบและจิตแทรกเนี่ยไอชาลุทแท้ที่เป็นของวามันายไปไหนหาไม่เจอเลยไปถ า, า, า, ไปไถามคุณ เ, เจ้าหายไปไหนแล้วทาไมหาจิตวิญญาณของพระโพธิกะไม่เจอจะไปลงโทษหน่อยฐานฆ่าตัวตายอ้มจิวิญญาณของโพธิกะหายไปไหนคุณเจ้าบอกว่าพ่อโพธิกะรรู้อรหันต์ที่ก่อนยึดมาถึงมันไปแล้ว จิตวิญญาณเลยหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือเป็นเเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติจักรวาลไปไม่ไม่เหลือเลยหายไปเหมือนดับไฟที่เชือ้อหรือไฟไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยแล้วก็ถูกเป่าดับหายไปนั่นแหละหายไปคนส่วนใหญหลายๆคนเป็นอย่งนี้ไหมคะหลวงตามีแบบแบบไปรักษาสภาวะ ว่างอะไรเนี้ยค่ะหรือว่าลืมนลื่แล้วแต่แล้วแต่สภาพการหลงของแต่ละคนว่าเข้าไปยึดในห้องกระจกกระจกหนึ่งไม่ไม่เหมือนกันสภาวะจิตไม่เหมือนกันสภาวะธรรมภายในจะไม่เหมือนกันถ้าคนไหนไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปรู้สึกพยายามสร้างไว้ว่าตัวเองคือความไม่ปรุงแต่งไปสร้างความรู้สึกว่างๆไว้ความไม่ปรุงแต่งไว้หรือไปยึดก็ตัวเองคือความไม่ปรุงแต่งไว้อีกฝั่งหนึ่งมันจะ เหมือนกับสร้างห้องกระจกเนี่ยพุ่มจิตเดิมดแท้ๆที่เป็นของบางฝาวกับเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไม่ได้คือมันเอาห้องกระจกเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้ยึดจิตเดิมดแท้ไม่ได้ยึดใจของตัวเองแต่เป็นยึดคนอื่นยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดสมบัติรฐัฐธรรมนบ้านช่องอันนั้นจะดับสีเลยไม่ใช่ห้องกระจกอะ ออจิตมันดําเลยมันทุกข์มากทุกข์มากจนจิตดําเลยดําปีเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ที่อะดำมากดาน้อยถ้าดํามากก็ทุกข์มากดําดําเทาๆทุกต่างทุกจางๆมาหน่อยถ้าดําดำดำเทาๆจางก็ทุกข์น้อยลงมาแต่ถ้าจนกระทั่งเปห้องกระจกเลยแสดงว่าเนี่ยมันยึดว่างเลยยึดว่างยึดความไม่มีอะไร คือมันไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์กับอะไรแต่มันมีความว่างเอาไว้ในการเป็นห้องกระจกครอบตัวเองอแต่การเป็นแต่เป็นคนเ อ, อ๋นะไม่ทุกข์แต่เ อ, อ๋ไว้ในห้องกระจกทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรล้ากลับเป็นเกาะเหมือนจักพี่เขาหรือเปล่าบางทีลูกอ่ะเหมือนปฏิบททัติธรรมเราปฏิบัติคืออะไรลูกก็มาคิดนะหาอะไระอยู่ลูกนอนเลยพอลูกนอนลุ่นจะเกิดสภาวะที่เห็นาาเห็นสภาวะจิตก็คือมันมันว่าง คือมีสติทุกอย่างแต่มันไม่ได้อยู่ในความว่างมันมีสติมันเห็นมันเห็นนอนการ น, นอนเห็นยาสังขารมีมือมีอะไรมันเห็นจิตจิตที่ว่ามันคิดดีแล้วไม่ดีแล้วมันก็ทิ้งแต่รู้ไม่รู้มันคืออะไร คือเราไม่ได้ปฏิบัติทาอะไรแต่มันจะเป็นเหมือนบางทีช่วงที่หนาจิตเรามันไม่มีอะไรจริงๆริมันจะชาแต่ลูกลูกจิตยังรู้จิตอยู่นะคือแต่มือมันชาตัวชาแล้วมันมันยิบยิบยิบยิบยิบยิบอ่ะรู้ก็ไม่รู้ก็คืออะไรแต่ลูกไม่ได้กําหนดอะไรตอนนี้ลูกสภาว่าลูกไม่ได้กําหนดอะไรคือในสภาว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในกระจายที่เรารู้เห็นนะมันมีก็สภาว่าที่มัน ที่มึนเกเราเป็นทุกข์คือมันเป็นอาการที่เป็นทุกข์คือสภาวพที่เป็นทุกข์ที่ไม่ไม่ถูกใจแต่บางครั้งที่พูดที่อธิบายเน่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นอาการที่เป็นสุขเป็นอาการที่เบาเป็นอาการที่ว่าเป็นอาการที่ถูกใจอ่แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นถึงตรงข้ามที่เป็นเป็นสุขที่ถูกใจแล้วก็ไม่ได้เป็นถึงข้าเป็นอาการที่เป็นทุกข์ ตอนที่มันมีสภาวะที่มันหรืออาการหรือกริยาการที่มันมันเกิดขึ้นเป็นตอนที่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วไปกลางๆเนี่ยพอตอนที่มีมีกริยาการทั้งทางกายทางใจมีสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นบุบบัมบบบั่มหรือมีสภาวะอะไรก็ตามที่มันผูกมันรู้สึกมันถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือมีสภ า, าวะที่เป็นทุกข์เครียดหรือเป็นที่ก็เป็นอาการชิดชัดชัดมีอาการชิดชัดชัดไปมือไปเท้ามีอาการทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยที่มันรู้สึกว่า เป็นแค่ปฏิกิริยาไม่ถึงกับข้นศึกใจไม่ถูกใจโยมเล็กเนี่ยไปเอาตัวเราเนี่ยเป็นจริงๆเลยคือพอมีอาการที่ถูกใจเป็นสภาวะที่ถูกใจขึ้นตอนเนี้ยเรากําลังเราเนี่ยตัวเราเราหรือตัวเราเนี่ยกาลังมีสภาวะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอาการอย่างนี้พอถึงในสภาวะที่มันไม่ถูกใจคือเป็นทุกข์เป็นเครียด เป็นตึงเป็นหนักหัวนักหนกกายหนักใจยมเล็กก็ตัวเราหรือเราหรือตัวเราเนี่ยเราลังเป็นอาการอย่างนี้และณขณะนี้กําลังเป็นอาการอย่างนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นอาการที่กําลังเป็นในปัจจุบันแต่ต่อมาขณะปัจจุบันต่อมาคือไม่มีอาการชิกจั๊จั๊กตาไปมือไปเท้ามันไม่ได้เรียกว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่ถึงกับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่มันมีกิริยาอาการที่บอกไม่ได้มันคืออะไรยมเล็กก็ เฮ้ยตอนนี้เราเป็นอย่างนี้มันมีอาการชี้เจ้าได้หมดเลยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันไม่มีแต่มันไม่มีแต่อาการที่เป็นขันห้าอาการทั้งหมดที่พูดมาคือขันห้าทั้งหมดที่ถูกมันต้องมีแต่อาการที่เป็นขันห้ามีแต่อาการแต่ไม่มีตัวเราหรือเราเนี่ยเป็นเป็นผู้เป็นอาการนั้นและมันไม่มีตัวเราเนี่ยคอยแยกตัวเราคอยรู้ไว้ มาคอยรู้อาการให้ตัวเราเนี่ยไม่เป็นเป็นอาการส่วนสำคัญมากนะสาคัญมากคนผิดอยู่สองสองอย่างนี้คือเราหรือตัวเราเนี่ยไปเป็นอาการนั้นจริงๆริไปเป็นผู้เป็นอาการคือปัจจุบันนี้มีอาการที่มันโปรงโลกเบาสบายว่างๆซบๆปีตีน้ำตาไหล ซูซูโรซาเป็นสุกอิบเอิบใจสงบมากเลยท่านะสมมติอะถ้ท่าขนาดปัจจุบันนั้นเป็นอย่างเงี้ยเราอะเราเปล่ยนเราเป็นเราเป็นเราเปลีนนี่นี่นตัวเราตัวเราหรืเป็นาเออเนี่ยเรากำลังเป็นอย่างนี้เลยเรากำลังเปลนอย่างนี้เนี่ยเรากำลังเป็นอย่างนี้แล้วไอเียเนี่ยเรากำลังเป็นอย่างนี้เรากำลังเปลี่ยนอย่างนี้ที่ถูกเนี่ยมันไม่มีเราเป็นหรอกมันมีแต่อาการของขันท่าแต่เราไม่มีต่อมามันมีอาการนี้เราเป็นทุกข์ ในเรื่องต่างๆมีมีเรื่องให้ต้องคิดต้องปวดหัวต้องหนักกายหนักใจในปัจจุบันนั้นนั้ๆเราก็แม้แต่เราก็เราไปทุกข์เรากํลากลงัเาล ง, เาลงเป็นเรากําลังเครียดเรากำลังทุกข์เรากำลังเป็นเรากำลังเป็นเรากำลังเป็นต่อมามียากาศกิจจะใจจัดตามตัวไม่ถึงกับถูกใจไม่ถูกใจเป็นสุขเป็นทุกข์เรากำลังเป็นอีกแล้เรากำลังกิจจ์ใจจั๊กตัวเรากำลังเป็นเราหรือตัวเรากําลังเป็นเเป็นนี่ย นี่ก็คือผิดอีกที่ถูกคือมันมีแต่กรีกกริยาการที่พูดทั้งหมดเป็นขันห้าทั้งหมดแต่ไม่มีตัวเราเป็นเห็นเป็นอย่างเงี้ยเห็นไปแต่เป็นกริยาการขันห้าแต่ไม่มีตัวเราเป็นเป็นแต่ขันห้าอย่างเงี้ยเป็นแต่ขันห้าเป็นข้าวตัวเราไม่มีเป็นกริยาการขันห้าหมเป็นสังขารปรุงแต่งขันห้าเป็นสังขารคือติ่งปรุงแต่งมันเกิดขึ้นเริ่มกระดับมันไปเกิดขึ้นเริ่กระดับไปไม่ใช่ตัวเรา เหมือนกับเราเนี่ยรู้สึกว่าในเราเนี่ยมันเป็นอยู่อยู่ในใจของเราเลยว่าเราเนี่ยคือความไม่ปรุงแต่งเพราะฉอะไรก็ตาที่ปรุงแต่งอาไม่ใช่เราทั้งหมดคือเราเนี่ยมันมันอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่งอนแง่งคอนแคนเลยคือเราคือความไม่ปรุงแต่งอั้นเราคือไม่สังขารเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสังขารเราคือวิสังขารหรืออสังขาตถาทัหรือสุญญตาทาตคือเราเนี่ยคือความปรุงแต่งไม่ได้คุยไงสุญญตาทัตไม่ใช่ความรู้สึกว่องว้างเลยนะคือมันว่าจากความปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ งั้นความพรุงแต่งทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่มันมีพวกหนึ่งนะฝึกผิดไร้กาดอีคืออะไรพอเริ่มฟังธรรมะรู้อยู่เฉยเฉยรู้อยู่เฉยเฉยพอมีอาการเกิดขึ้นมีอาการโป่งโล่งเบาสบายว่องว้างสอบสง บ, สงบเป็นสุขสุซาสุซ า, าหรือว่าอาการที่มัน แน่นติดอัดเป็นทุกข์เป็นเครียด เ, เ, เป็นกิริยาการนี้ก็ตามเป็นกุโสตากรุณเป็นราคะโทสะโมหะเป็นอะไรก็ตามที่มันทําให้ไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าเป็นกิริยาการที่ทจิตจัดเนื่องจากได้ฟังอาจารย์พูดมาฟังธรรมมาบอกว่าให้รู้อยู่เฉยเฉยให้สัตวตะวัรู้รู้ได้ใจเป็นกลางแยกตัวผู้รู้ออกมาจากอาการนี่ผิดรายการ แยกตัวเองอาจารย์บอกว่าให้รู้อยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้ได้ใจพิการแยกตัวเองมาลอยรู้ไว้มายืนรู้ไว้ให้อาการเป็นอาการแต่เราไม่เป็นอาการเรามายืนรอรู้ไว้มายืนแลกออกมาแยกอยกอกมาแยกว่าจะอาการไอ้นี่ก็ผิดหลักการเอออะไรไอ้ตัวที่มีอาการทั้งหมดอะถูกใจไม่ถูกใจเป็นอาการอางกายก็เป็นสังขารปรุงแตง่งสังขารมันแต่ว่าปรุงแตง่ง มันเป็นสิ่งที่ปรงแต่งไอ้ที่เราปรุงแต่งแยกตัวเราออกมาเนี่ยก็รปรุงแต่งอีกมันเลยปรุงแต่งซ้อนปรงแต่งเราก็เลยปรงแต่งแยกออกจากอาการให้เราปรุงให้เรารู้อยู่เฉยเสักตะวารู้รู้ได้จะไปกลางให้มันลอยตัวเป็นอิสระเ่ฟังกันมากอิสระ <c oughs> <c oughs> ให้ลอยตัวอิสระ <c oughs> อิสระ <c oughs> ให้อะไรอิสระจะความปูงแต่งแต่แาลรู้ไหมว่าไอ้ที่เราลอยตัวมาแหะเราได้โคตรปูงแต่งปูงแต่งแค่เราลอยตัวออกมาได้ได้โคตรปูงแต่งมันนี่ปรุงแต่งกับโคตรปรุงแต่งเว้ยมันก็ปรุงแต่งแต่มันก็คือมันก็แผลปูงแต่งเก่งจริงๆไม้เราโคตรปูงแต่งปรุงแต่งให้เราลอยออกมาอิสระให้มันไม่ปรุงแต่งแยกออกมาจากความปูงแต่งแต่แล้วแท้จริงอ่ะไอเราเนก็คือปูงแต่งนั่นแหละ แต่และแกค่พูดแต่มันคโคตรปรุงแต่งเลยเพื่อให้มันแยกออกจากให้ให้ความที่เราก็ไอไ อ, อาการนั่นคือมันปรุงแต่งมันเป็นสังขารคือเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปมีแล้วหายไปแต่เราเนี่ยไปสร้างไว้เนี่ยไอตัวนี้ก็สังขารตัวไรเลยคือสร้างคาไว้เลยเนี่ยเลยเหมือนกับไม่ปรุงแต่งเลยตอนนั้นเป็นของเที่ยงเลยคือสร้างคาประเดี๋สร้างคาวไว้ว่าเราไป็นู้รู้อิสระร้อยเด่นแล้วไอ้เนี่ยกลายเป็นปรุงแต่งสร้างคาว่าจะเป็นความจําเลยเราจําไว้อย่างเงี้ยสร้างขาไว้เลยเนี่ยทำอะไรก็ไม่ทําอะไรหรอก สร้างขาไว้อย่างเดียวไม่ให้ปันหายไปเรื่อมันก็ปุงแต่งเป็นซ้อนปุงแต่งพิดบอลแหละปฏิจุบันตอเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องเห็นเลยถูกแล้วล่ะเห็นอาการอ่ะจริงๆทุกนาฬปัจจุบันเี็นเต่าควาเป็นจริงแต่มันมีแต่อาการที่ปรุงแต่งมีแต่ขันห้าแต่ไม่มีเราไปเป็นอาการนั้นหรือว่าอาการนี้เป็นของของเราพี่เราเป็นอีกแล้วเป็นอะไรก็เราเป็นเป็นอะไรก็เราเป็นหรือตัวเราเป็นมันไม่มีซึ่งคือมีแต่อาการเนี่ยแต่มัน เห็ว่าไออาการทุกอาการนะมันเป็นขันธ์หนามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอาการไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นของของเรามันเป็นแต่กิริยาการรางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นเงาเงาของใจกิริยาการของจิตเป็นเงาของจิตมันไม่ใช่มันไม่ใช่จิตแท้ๆไม่ใช่ใจแท้ๆจิตแท้ใจแท้ไม่ี่้มีตัวตนไม่ีอะไรหรอกไม่มีรูปร่างนี่เลยเลยไม่มีกิริยาการใดๆไอที่มีอาการนั้นหมืนเป็นเงาเงาเหมันก็เงาตัวเราเนี่ยคือมันไอตัวเราเดินไปไหนก็มีเงาเนี่ยมันเป็นเงามันไม่ใช่ตัวจริง ไม่ใช่จิตจริงจรงหรือใจจริงจที่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูป่างอันนั้นน่ะมันไม่มีตัวตนแต่ที่กิริยาการทั้งหมดนั้นเป็นเงาใฉ่เป็นมายานั้นมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ที่เราไปแยกปรุงแต่งเอาตัวเราลอยสลับไว้แล้วก็คือปรงแต่งที่ก็เป็นเงาเหมือนกันนนั้นน่ะที่ถูกต้องทั้งหมดก็คือมีแต่อาการมีแต่ขันน่าแค่นั้นแหละจะไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของของเรา เอออย่างนี้เราก็เห็นมันไมื่ออย่างเป๊ะับเป๊ะไปเป็นไปแต่ไม่มีเราไม่มีตัวเราก็แต่มันเป็นเหมือนกับแฝดติดกันที่เราพูดอ่ะคือไอ้ความไม่พุงแต่งมันติดอยู่กับความมันไปขันหน้ามมาพุ่งรวมไปขันหน้าจะแล้วก็ต้องอยู่ในการเจนตายเออแต่ละตก็มิแต่ขันหน้าไปแต่ไม่ยึดมันว่าเป็นตัวเรามันแตกแตกคนละตัวแต่มันอยู่ติดกันมันอยู่ด้วยกันแล้วก็รอวันที่มันแตกนับขันหน้ามันแตกนับเหมือนจะนี้ก็เหลือแต่ไอ้ตัวที่เป็นธาตุแท้ นี i i ่เป็นชาติที่ไม่ปงแต่งหลักมันมีอยู่อันเดียวสังขารทั้งนั้นอะไรกัสังขารปงแต่งทั้งนั้อะไรกับงารปรงแต่งทั้ง้อะไรกับขานาทั้งอะไรกับสังการุงแต่งทั้งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวปล่อยวางมันไปปล่อยมันไปหลักมีอยู่อันเดียวแค่นี้